ตัดสินตนเองจากโครงสร้างกรรมจะทาโดยสสิมาพร ล, ล้อมทองถามคนใกล้ตายว่าเสียดายเสียใจอยากกลับไปเลือกใหม่ทำอะไรใหม่บ้างส่วนใหญ่น่าจะบอกว่าอยากกล้าใช้ชีวิตตามใจตัวเองกว่าที่เคยอยากให้เวลากับครอบครัวกว่าที่เคย อยากเปิดเผยความรู้สึกกับบางคนกว่าที่เคยแต่เชื่อเือว่าถ้าถามในนาทีที่จิตใกล้ดับแทบทุกคนจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากกลับไปทำบุญหาความสว่างใสตัวให้มากกว่าที่ผ่านมาในนิเพธิกบปริยายสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมคือเจตนาเจตนานั่นเองเป็นกรรม ความรู้และความเข้าใจตรงนี้เป็นแก่นหลักที่สำคัญยิ่งของพุทธศาสนาเมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้วก็จะสามารถสำรวจเข้ามาในตนเองได้อย่างถูกต้องว่าคุณกําลังสะสมกรรมแบบไหนอยู่และหากได้แนวทางที่ชัดเจนพอรวมทั้งคุณเต็มใจสำรวจตัวเองนานพอก็จะทราบได้ด้วยว่าบุญกับบาปที่คุณสะสมไว อย่างไหนมีน้ำหนักมากกว่ากันนั่นจะเป็นคำตอบว่าคุณกำลังเสี่ยงที่จะลงตำ่ำหรือว่ามีแนวโน้มว่าจะขึ้นสูงหลักการง่ายๆที่จะช่วยให้เห็นภาพรวมของการสะสมกรรมคือทำกับโลกไว้อย่างไรสุดท้ายก็เหมาะจะไปอยู่กับโลกแบบนั้นทำทานส่งเคราะห์โลกไว้มาก ก็เหมาะจะไปอยู่ในโลกที่สงเคราะห์คุณมากรักษาศีลให้จิตใจสะอาดไว้ดีก็เหมาะจะไปอยู่ในโลกที่ไม่เปื้อนเลือดไม่มีการทำร้ายกันชาติปัจจุบันเปรียบเหมือนผู้สร้างมรดกชาติต่อไปเปรียบเหมือนผู้รับมรดกแม้จะเป็นคนละคนเป็นคนละชาติกันก็ต้องรับช่วงสืบทอดสิ่งที่อีกตัวตนเคยทำไว้ยังไม่มีทางหลีกเลี่ยง ชาตินี้ทำอะไรไว้ให้ใครในโลกเขาเหล่านั้นก็เพียงได้รับผลจากการกระทำของคุณแค่ช่วงสั้นๆแต่ที่รับผลยาวจริงๆในสิ่งที่ทำไว้ก็คือตัวคุณเองการสารวจโครงสร้างกรรมในชาตินี้ของคุณด้วยตนเองจะค่อยๆปลุกความสามารถในการเห็นเข้ามาข้างในตนเองกระทั่งเป็นไปได้ที่จะเห็นรูปจิตของตนว่า กำลังมีความเป็นจิตวิญญาณชั้นสูงหรือมีความเป็นจิตวิญญาณชั้นต่ำฝึกดีๆคุณอาจเห็นได้เป็นขณะๆทีเดียวว่ากําลังนั่งยืนเดินนอนอยู่ด้วยจิตวิญญาณที่เปล่งรัศมีสว่างน่าชมหรือด้วยจิตวิญญาณที่แผ่รัศมีทะมึนครึ้มน่าพรั่นใจ ตัดสินจากความรู้สึกสว่างหรือมือดมนุษย์ถือกำเนิดขึ้นได้ก็ด้วยบุญไม่ใช่ด้วยกรรมอันประกอบด้วยกิเลสเหมือนเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในปุณณะมานาวากาปัญหานิเทศว่าความเป็นมนุษย์ย่อมไม่อาจปรากฏด้วยกรรมที่เกิดแต่โลภะโทสะโมหะเลยการให้ทานก็ดี การรักษาศีลก็ดีการเจริญสติรู้จักกายใจตนตามจริงก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นการก่อกรรมบนฐานของอโลภาอโทสะอโมหะเมื่อสะสมไวมากแล้วย่อมผนึกกําลังกันตอนกําลังจะเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติกองบุญจะเป็นหัวหอกสร้างความสว่างนำทางมาสู่ขันมนุษย์และการที่จิตของมนุษย์มีบุญปญญาฐานนี่เอง มนุษย์ทุกคนจึงรู้สึกว่ามีความสว่างมีความดีอยู่ในตนต่อให้ชั่วช้าขนาดไหนก็ต้องรู้สึกว่าตนมีจิตสำนึกดีกว่าสัตว์ร้ายวันยางคำ่ำจิตของคุณจะมีมาตรวัดความเป็นคนติดตั้งไว้แต่อ่อนแต่ออกเห็นได้จากกรณีเช่นเมื่อบางคนพอกภูลบาปอากุศลไว้มากถึงระดับหนึ่งจะรู้สึกไม่ไหวแล้วคือแค่ความมืดมันหนาทึบ หรือเข้มข้นเกินกว่านั้นอีกนิดเดียวเหมือนตัวคงหนักจนโดนธรณีสูบได้นั่นเป็นสัญญาณเตือนว่าความเป็นมนุษย์หรือมนุษยธรรมเริ่มเหือดแห้งจิตเริ่มหอยหิวอยากได้บุญกุศลอันสว่างสดชื่นมาเติมให้ชุ่มชาใจมากขึ้นบ้างในทางตรงข้ามหากสะสมบุญกุศลไว้มากถึงระดับหนึ่ง ขณะที่เบิกบานเรากับจะลอยได้อยู่แล้วขอเพียงสว่างเจิดจ้ากว่านั้นอีกนิดเดียวตัวคงเบาจนเท้าไม่แตะพื้นได้จริงๆนั่นเป็นเครื่องชี้ว่าคุณเริ่มดีเกินมาตรฐานเดิมกระทั่งชุ่มฉ่ำเซจจนเหมือนอาบทะเลทิพย์อยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นวิสัยของเหล่าเทพท่านจะรู้สึกกันเมื่อมั่นใจว่าคุณสามารถอาศัยความรู้สึก เป็นตัวบอกสถานภาพได้ระดับหนึ่งคือกำลังสุดตรงไปข้างมืดหรือกำลังสุดตรงไปข้างสว่างก็มาฝึกสร้างตัวบอกสภาพตอนอยู่ตรงกลางๆางกันเพื่อจะได้ดูแบบวันต่อวันถูกว่าถ้าตายตอนนี้คู่ควรหรือสาสมกับสภาพใหม่แบบไหนข้อที่หนึ่งเมื่ออยู่ว่าง ไม่ได้อยู่ระหว่างการวางแผนทำบุญหรือทำบาปอันใดเป็นพิเศษให้ถามตัวเองว่าคุณรู้สึกถึงความสว่างหรือความมืดถ้าตอบว่ารู้สึกถึงความสว่างแล้วว่าช่วงนั้นชีวิตของคุณยืนอยู่ข้างกุศลคุณไม่จำเป็นต้องเห็นเป็นแสงจ้าลอยออกมาจากกลางอกเอาแค่ความโปร่งเบาสบายใจหรืออิ่มใจหน่อยหน่อย ก็นับเป็นความสว่างเป็นหลักฐานของกุศลธรรมที่ช่วงนั้นสะสมไว้มากกว่าอากุศลธรรมได้แต่ถ้าตอบว่ารู้สึกถึงความมืดแล้วว่าช่วงนั้นชีวิตของคุณยืนข้างอากุศลคุณอาจไม่ได้ทำผิดคิดชั่วอะไรมากมายเอาแค่หมกมุ่นครุนคิดในเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือเอาแต่เพ่งโทษเตะชินนินทาใครต่อใคร หรือฟุ้งซ่านสงสารตัวเองเรื่อยเปื่อยไม่หยุดก็นับเป็นอากุศลธรรมที่พอกพูนแล้วทำให้รู้สึกมืดได้แต่หากตอบไม่ถูกว่ามืดหรือสว่างให้บอกตัวเองว่าครึ่งกลางพร้รรรรรอมจะมืดก็ได้หรือมีสิทธ์จะสว่างอยู่เหมือนกันข้อที่สอง ถามใจตัวเองแบบเจาะลึกลงไปเช่นรู้สึกสมค่าความสว่างอย่างมนุษย์หรือเปล่าตรงนั้นจะช่วยให้ตอบตัวเองถูกว่าถ้าจะเป็นมนุษย์ให้สมเกียรติภูมิจะมามัวรู้สึกครึ่งๆกลางๆอยู่ไม่ได้ที่แท้ต้องอยู่ข้างความสว่างพร้อมที่จะทำเรื่องดีๆให้เกิดขึ้นต่างหาก เมื่อสำรวจและซักถามเกี่ยวกับความสว่างและความมืดภายในตนเองอยู่อย่างนี้ในที่สุดคุณจะเข้าใจคําว่กลลากุศ ล, ลจิตและอกุศลจิตออกมาจากประสบการณ์ตรงกล่าวคือพอพูดถึงกุศลจิตคุณจะไม่นึกถึงแค่คําพูดแบนๆในหน้ากระดาษแต่จะนึกออกบอกถูกทีเดียวว่านั่งอยู่อย่างนี้ยืนอยู่อย่างนั้นแล้วรู้สึกดีอย่างไร สว่างประมาณไหนจึงควรค่าพอจะเรียกว่ากุศลจิตได้ช่วงเริ่มฝึกคุณอาจเห็นว่าเป็นการคิดเอาเองต่างๆนานาแต่หลังจากส่องสำรวจตนเองตามหลักวิธีดูที่กายทะลุถึงจิตอยู่เรื่อยๆนานพออาจหลายวันหลายเดือนหรือหลายปีในที่สุดคุณจะเข้าถึงความรู้สึกอีกแบบหนึง่งไม่ใช่แค่สักแต่คิดคิดเอา แต่จะเป็นการเห็นแบบรวบยอดว่าเงาร่างหรือจิตวิญญาณตนเองเหมาะกับคติข้างหน้าขั้นไหนสูงขึ้นหรือต่ำลงประณีขึ้นหรือหยาบลงสุขสบายขึ้นหรือทุกข์ยากรูปร่างหน้าตาดีขึ้นหรือแย่ลงกรณียังขาดสมาธิหนุนหลังบางทีคุณอาจฝันไปว่านั่งมองตัวเองในเงากระจก เห็นได้เงเากระจกสว่างเรืองขึ้นหล่อสวยกว่าเดิมหรือมืดหมดลงขี้เหร่กว่าเคยแต่หากสำเร็จอาโลกักสินหรือมีกำลังสมาธิหนุนอยู่คุณอาจน้อมใจเห็นได้ตลอดเวลาทีเดียวว่าถ้าตายตอนนี้ด้วยสภาพจิตอย่างนี้จะไปมีรูปร่างหน้าตายอย่างไร